ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องจิตกระด้างโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่10ธันวาคม2542ณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ลองฟังดูอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบอดชื่อว่าสังคีติสูตรนางกล่าวถึงเรื่องความกระด้างแห่งจิต5้าอย่างพะพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าความกระด้างข้อที่หนะึ่งะบอกว่าย่อมเคลือบแคลงย่อมสงสยัยไม่เชื่อแน่ ไม่เลื่อมใสในภาษาสดานี่แหละแค่นี้แหละ <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งเพราะเราเองเราคงจะนึกนะักความก็ได้ถ้าเป็นเราเราจะนึกถึงเรื่องอะไรหน้าบึง้งนะนึกนึกนึกง่ายๆก่อนหน้าบึง้งแล้วก็อะไรพูดแข็ ง, ขงเ อ, อ้พูดไม่มีหางเสียง เ, เราก็นึกอย่างนี้นะ แต่ข้อที่หนึ่งในที่นี้กับบอกว่าคนที่จะจิตกระด้างเนี่ยคือคนที่ยังเครือดแครงยังสงสัยยังไม่เชื่อแน่ยังไม่เลื่อมใสในภาษาสดาศ า, าสดาก็หมายถึงว่าผู้นำนั่นเองผู้นำในในรัฐทิในศ า, าสนาไหนก็แล้วแตนะ่ถ้าอย่างของพุทธเราเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นใครที่ยังเคลือบแคลงยังสงสัยยังไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีหรือไม่มีนะพุทธเจ้าเอาในที่นี้ถามจริงๆนะห้ามโกหกกันนะใครใครยังรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะนะว่าพูะพุทธเจ้าจะมีตัวตนจริงๆ ในโลกนี้ใครๆ ร, รู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไหนลองยกมือสิ <c oughs> <c oughs> เออเอาไหนเอาใครเชื่อว่ามีแน่นอนเด็กขาดเป็นตัวตนเป็นคนเนี่ยแหละ <c oughs> โธ่เอ้ยก็แน่นอนแล้วว่าปริทิพานไปแล้วเออาแล้วใครเชื่อว่า ว่าเป็นเหมือนกับว่ามีคนรู้มีคนเก่งมากเลยคนหนึ่งที่เรียกว่าเขียนพุทธประวัติขึ้นมาเขียนเล่าเรื่องขึ้นมากำหนดสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ย เ, เชื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็เลยเล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมาคือเป็นเหมือนกับเรื่องเรื่องที่เล่าขึ้นมาแต่งขึ้นมาใครเชื่อว่าอย่างนั้นบ้าง มีไหมในที่นี้พูดง่ายว่าเราศรัท ธ, ธากันแล้วนะเราก็เลยเชื่อแต่จริงๆแม้แต่แต่ก่อนนี้อาตมาไม่เชื่อนะใน <c oughs> ก่อนอาตมาไม่เชื่อหรอกเออถ้าถามทั่วๆไปเนี่ยรับรองเลยว่าส่วนใหญ่จะยกมือว่าว่าคิดว่านะคิดว่าคงจะแต่งขึ้นมานั่นแหละส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้น มาจำได้ว่ายังไม่มาถือศีลไม่มาปฏิจจบัติธรรมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องเฉพาะออของาศาสนาพุทธเรานะแม้แต่าศาสนาอื่นเนี่ยที่เขาจะอะไรนะพระพระคริสตหรือว่าของอะไรอิสลามพระอัลเลาะห์พระ อ, อ, อ, อะไรพระเจ้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยพระอิสวนเหรอพระ นารายพ่าอะไรกันว่าอินคือคือเราเรามีความรู้สึกว่าคงจะแต่งขึ้นเพียงแต่ว่าแต่งมาอย่างดีเท่านั้นเองแต่งเพื่อที่จะให้คนมาสร้างความดีหรือว่ามาทำดี <c oughs> อ้าวก็นั่นแหละพระพรมมีหลายๆหน้ามีคนเขาบอกเอ๊ะเราจะนอนยังไงอะ่ะ มันจะต้องมีหน้าใดหน้าหนึ่งโดนทับแน่เลยเออนะอันนั้นอันนั้นเราไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อว่ามีคนจริงเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พูดไปถึงหลายๆศาสน า, าแต่ของพุทธเนี่ยให้เราไปสังเกตดูนะของพุทธเนี่ยค่อนข้างจะจะพุทธประวัติเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะเหมือนคนมากที่สุดเหมือนเหมือนคนธรรมดาเนี่ยมากที่สุด คือคือไม่เป็นเหมือนกับพระเจ้าสักเท่าไหร่ขนาดว่าคนก็เคารพ บ, บูชานับถือมากมายก่ายกองน ะ, ะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ค่อนข้างเชื่อไปในลักษณะที่เป็นตัวตนบุคคลเป็นคนเดินดินเนี่ยแม้ทุกวันนี้นี่จะเพี้ยนไปมากพอสมควรแล้วนะศาสาพูธเพราะอิทธิพลของศาสนาอื่นๆที่เขานับถือบูชา พระเจ้านะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบางทีเนี่ยแม้แต่คนแปลพระไตรปิตกบางทีก็ชักจะแปลให้เป็นทํานองที่มีอิทธิฤทธิอิทธิเดชแบบแบบเป็นอะไรอะ่ะมีปฏิหารมีอะไรต่างๆไปในเชิงที่ที่อะไรทําให้คนยุคนี้สมัยนี้บางทีถึงไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อว่าคนจะไปทําอย่างนั้นได้ คนจะมีอย่างนั้นได้หรือคนจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมันมันไม่มีแล้วยุคนี้เดี๋ยวนี้มันมองไม่เห็นแล้วะเช่นจะอะไรเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำดินได้เหมือนดำน้ําเล่นอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรหายตัวคือคือทุกวันนี้คนไม่เชื่อแล้วว่ามันจะมีอย่างนั้นเพราะมันมันอะไรอ่ะพิสูจน์ทำไม่ได้เพราะมันหาหาไม่ได้อย่างนั้นจริง ก็เลยไม่รู้จะพิสูจน์กันยังไงอันนี้แหละที่าศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆแล้วจะต่างจากาศาสนาอื่นเราไปดูเถอะศาสนาอื่นเนี่ยเอาที่ดังๆจะมีสักกี่าศาสนาเอ่อคริสต์อิสลามอะไรอีกเอ่อฮินดูส่วนมากจะเป็นลักษณะที่ให้เห็นเลยนะว่าเป็นไปในแบบพระเจ้าเนี่ยมากยก ยกเป็นแบบของจีนที่ที่อะไรอ่ะของจื๊อหรือว่าเต่าอะไนระอย่างนั้นรู้สึกเขาจะค่อนข้างเรียกว่าลัทธิะนะเขาเขาจะไม่เชิงเรียกว่าศาสนาเพราะว่าอันนั้นอันนั้นเขาก็เป็นแบบตัวตนเป็นบุคคลเดินดินเหมือนกันแต่อันนั้นเขาไปในทางลัทธินั่นแหละเหมือนกันแหละเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกับพวก พระเจ้ามีอิทธิมีปฏิหารอันนี้แบบของจีนนะนะเขาก็เล่ากันมาแต่ว่าเป็นแบบลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าเทวานิยมละคือนิยมเป็นเป็ น, ปนมีฤทธิ์มีเดชอะไรต่างๆเพราะนั้นอันเนี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ข้อที่หนึ่งเนะี่ยว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อว่าไม่เลื่อมใส ในศาสดาคือในพระพุทธเจ้าคนไหนไม่เชื่อคนไหนไม่เลื่อมใสเนี่ยนี่แหละถือว่าจิตกระด้างอันดับที่หนึ่งคาว่ากระด้างหมายถึงว่าจิตมันไม่อ่อนน้อมอจิตมันไม่ไ ม, ไม่เคารพจิตมันไม่นับถือะมันไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังและไม่เชื่อมั่นแล้วว่าว่าพระพุทธเจ้า จะมีจะเป็นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติแล้วเป็นไปได้อย่างนั้ น, นเนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะของจิตที่กระด้างอาตมาไม่ต้องอิงไกลนะเอาแค่พวกเราในที่นี้คือเราไม่ต้องไปยกถึงพระพุทธเจ้าเอาปัจจุบันเรานี่แหละเอาสมมติว่าเราเป็นชาวโสมเรามาอยู่กับหมู่กลุ่มสังคมของชาวโสมสมมติว่ามีพ่อท่านเป็นผู้นา จะมาถามจริงๆคะในที่เนี้ยใครนะที่คิดว่าตัวเองมีลักษณะอย่างนี้นะไม่เกืออแคลงไม่สงสัยเชื่อแน่เลยนะเลื่อมใสแบบพ่อท่านอย่างชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะแมมจะใช้ว่าอะไรหมดจิตหมดใจนะสุดเสียนสุดเกล้าเออ ใครใครเชื่อแบบเต็มร้อยเปอซอย่างนั้นอ่ะเฮ้เชื่อเลยนะเออโง่หรือเปล่าเนี่ยฮ้เชื่อแบบโง่โง่หรือเปล่าฮ้จริงๆริะใหม่ใหม่อะไม่เชื่ออะอาตมายังไม่เชื่อเลยไม่ใหม่อาตมา ก, ก็ไม่เชื่อบอกตรงๆรงอาตมากเกลือบแคลงอาตมาสงสัยเคยเล่าพวกเราหลายคนฟังแล้วตั้งแต่พ่อท่านบวชใหม่ๆ นะอาจจมาจริงๆมาเห็นพ่อท่านตั้งแต่ยังไม่บวชนะอ า, อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้มั้งที่ทำให้ไม่เชื่อเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่ท่านเป็นฆราวาสนะก็เห็นท่านทำรายการเห็นท่านทำอะไรต่างๆเงี้ยคือเรายังเห็นแบบฆลาวาสอยู่เสร็จตะหลังเอา้ามาโกนหัวนุ่งขาวอาจมายังนึกๆอยู่ในใจเพี้ยนเพียนหรือเ่า <c oughs> เอา้าวเสร็จจนตะหลังบวชเป็นพระใช่ม บวชไปพระเสรเอาท่านกเทศท่านสอนอัตมายอมรับว่าคำเทศคาสอนท่านดียอมรับว่าสอนดีนะแต่ไม่เชื่อว่าที่ท่านสอนเนี่ยจะทำให้เราแบบเหมือนกับว่าบรรลุหรือว่าจะให้เราทำไปจนถึงที่สุดอย่างนั้นได้อันนี้สงสยัยแล้วก็ยังไม่เชื่อทีเดียวเชื่อแค่เบื้องต้นกับเบื้องกลาง เชื่อว่าท่นเจตนาดีแล้วก็ท่านสอนมาดีเชื่อตรงการคือเราเราคิดว่าเราทำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เชื่อถึงที่สุดว่าเราจะบรรลุทำได้โดยที่ที่ทาตามที่ท่านทำเนี่ยแหละคืออันนั้นยังไม่เชื่อบอนเบื้องต้นเบือเบ้องกลางอาตมาไม่สงสัยแต่เบื้องปลายสงสัยจนกระทั่งจำได้ว่าจะคลายความสงสัยได้เนี่ย ก็ไม่รู้จะไปถามใคระนะจะไปถามใครเพราะว่าคนที่เราไปถามนี่เราก็สงสัยอีกอะไอ้คนที่ถามนี่มันมันมันจะได้จริงหรือเปล่าเราก็สงสัยอีกอเพราะในที่สุดเลยไม่รู้ว่าจะไปถามใครแต่หลังก็เลยพึ่งพระไตรปิฎกนาโยพี่สาวก็เลยซื้อพระไตรปิฎกมาแล้วมาก็เลยอ่านศึกษาใหญ่เลยเพราะว่าตอนนั้นก็ถือว่าเอาละยังไงก็เป็นกลางหน่อยคือคือตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะ คิดว่าเป็นกลางหน่อยแล้วก็ไม่จะเป็นตัวตนบุคคลด้วยแล้วก็เขาก็ยืนยันกันว่าพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพราเราเอาละเอาเอาเป็นที่พึ่งนะก็เลยมาศึกษามาอ่านแล้วก็เอามาเทียบเคียงเทียบเคียงดูซิว่าพ่อท่านหรือว่าพระชาวโศกแต่ก่อนนั้นนะ่ะเนี่ยปฏิบัติได้ได้ถูกต้องได้ตรงกับคาสอนของพระพุทธเจ้าไหม นั่นแหละอาตมาถึงค่อยๆขายใจได้ค่อยๆขายใจได้เราถึงจะเริ่มเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นเชื่อมั่นโดยที่เราศรัทธาจริงๆเราเราไม่สงสัยแล้วว่าพ่อท่านสอนมาเนี่ยดีจริงอาตมาเคยเชื่อจนกระทั่งอย่าว่าแต่พ่อท่านเลยแม้แต่พระที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านเนี่ยมาเชื่อว่าดีทุ ก, กรูปบริสุทธิ์ทุกรูป เนี่ยชื่อจนเอร์เลยเพราะความจริงเนี่ยมันมันไม่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆท่านก็มาเรียนรู้ใช่ไหมท่านก็มาเรียนรู้ท่านก็มาปฏิบัติบางทีท่านก็มีผิดมีพลาดบ้างหรือบางทีก็เจอวิบากกรรมมั่งอะไรเงี้ยที่แบบว่าจนกระทั่งจิตเสียจิตเลวร้ายก็มีมาจําได้ว่าตอนใหม่ๆที่พอเราศรัทธาแล้วนะ เราเชื่อมั่นในพระชาวโศกแล้วปรากฏว่าเรามาได้ยินข่าวข่าวที่บางทีพระบางรูปท่านไปทําผิดท่านไปทําเสียเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะยอมรับเลยนะเพอรู้สึกว่าเอ้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพระอื่นๆแล้วก็เราจะเชื่อแต่ถ้าเป็นพระโศกไปทําผิดนี่เราไม่เชื่อว่าอะไรท่านจะไปทําผิดอย่างนั้นได้ยังไงไม่เชื่อโอ้โหปฏิเสธในใจเนี่ยมันปฏิเสธน่าดูเลย จนดหลังแหละมันก็ความจริงก็คือความจริงว่าในที่สุดเออท่านก็ทําผิดจริงๆอ่ะแต่มีความรู้สึกเลยนะว่าในใจเราลึกๆเรายังรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเปไ็น ไ, นไป ไ, ได้ในใจเนี่ยมันมันจะตอบตัวเองอย่างงั้นแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเออเรายังเคารพเรายังศรัทธาทาั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยทําผิดจริงๆ <laughs> จนกระทั่งตอนหลังนี่แหละเออพอมาอยู่วัด มาอยู่กับหมู่กลุ่มมาอยู่กับพระชาวโศดกินกินเข้าคราวนี้นะ้มาอยู่แบบตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันครุกอยู่ด้วยเพราะเราก็ก็ทิ้งบ้านเลยเราก็มาอยู่วัดเ พ, เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยนึกว่าเออพระชาวโศกนะบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยเรายังเข้าใจผิด ยิงท่านเองท่านก็พยายามปฏิบัติดีของท่านนะ่ยแต่กิเลสก็ยังมีอยู่เพราะบางทีนี่ท่านก็ปล่อยกิเลสออกมาบ้างเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเออต่หลังเนี่ยพอมาศึกษามากเข้าถึงได้ไม่ไปตั้งความหวังหรือว่าไม่ไปตั้งเกจของพระอโศกจนสูงเกินไปไม่อย่างนั้นแล้อกหักอกพังพอวันหลังไปเจอเขาจโอ้โหอกหักอกพังกันนะ้ อือย่างนี้เป็นได้ยังไงอย่างเงี้ยกว่าจะพระโศกก็จะได้ขึ้นเป็นพระจะต้องตายลําดับมาถูกต้องมก็มีการบวชมีการบวชมีการตรวจสอบด้วยซ้ําไปใช้เวลานานแต่ละรูปแต่ละรูปก็จะเป็นพระชาวโศกได้ใช่แล้วยังไงแล้วสงสัยตรงไหน สงสัยว่าทาไมยังมีเสืออีกเหรอใช่หรือเปล่าสงสัยว่าอย่า ง, งน้อยก็น่าจะได้ประสดาบันไปนอย่างน้อยใช่ไหมแล้วยังเสืออีกเหรอไม่หรอกนี่แหละยังคือความเข้าใจผิดนี่แหละยังคือความเข้าใจผิดไม่ใช่นั้นเป็นความบึกคิดของเราเอง เพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยแม้จะผ่านโบสผ่านขั้นตอนอาสวุธเอาแต่ด้านผู้ชายนะจากเป็นฆรวาดเอามาอยู่วัดจนกระทั่งเอามาเป็นป่าเป็นป่าเสร็จขึ้นไปเป็นหน้าน้าเสร็จขึ้นไปเป็นเนนเนนเสร็จจนขึ้นไปเป็นพระหรือว่าเป็นสมณะเนี่ยนะจริงขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบมาแต่มันแค่ระยะสั้นๆปีนึนงเอา สองปีเอาสามปีเอาหรือจะสี่ห้าปีก็ได้เอาแต่มันยังไม่ได้หมายความว่าทำได้ถาวรแล้วนี่ถ้าทำได้ถาวรแม้เป็นพระโสดาบันนะถ้าทำได้ถาวรเอาจะไปตกต่ำยังไงเล่าก็ไม่ตกต่ำแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคําว่าตกต่ำนี่คือสึกออกไปไม่ได้ไม่ใช่นะเพราะการสึกมันยังจะมีเหตุอีกหลายเหตุ บางทีสึกไปแต่ท่านไม่ได้ตกต่ําอ่ะท่านก็ยังพยายามถือศีลปฏิบัติแม้ฐานโสดาบันท่านก็ยังได้อยู่อันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจสภาพนี้ว่าถ้าถ้าเราเอาเรื่องของปรมัตา์ว่าใครจะได้โสดาบันไหมนี่นะไม่เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชแต่มันเกี่ยวอยู่ว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าล่ะได้จริงไหมได้เที่ยงแท้ไหมถ้าได้เที่ยงแท้จะอยู่ในรูปแบบไหนก็คือได้จะไม่มีตกต่ําลงไปกว่านั้น แต่อันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารมาบอกว่ามันไม่ใช่บางทีมาเนี่ยใหม่ๆ ม, มีปิติบางคนเนี่ยมาใหม่ๆโอ้โหกําลังอะไรอะธรรมะกาลังสารบรสั่นไปทั่วกายาโอ้โหกำลังเรียกว่าอไฟแรงเลยอะเพราะฉะนั้นไอแรงของปิติของความสุขของความยินดีของความพอใจตอนใหม่ๆเนี่ยมันแรงมากเลย มันบางคนเนี่ยโอ้โหแทบจะทิ้งบ้านทิ้งช่องมาอยู่วัดเลยอ่ะอืมอยากจะโอ้โหมันกินมันนอนเดินอมยิ้มตลอดวันนอนกับอมยิ้ม <c oughs> มีความสุขมากนะตอนตอนที่มันมีปิติอยู่ใหม่ใหม่เนี่ยแล้วแรงจะทําอะไรนี่โอ้โหจะตั้งตะบะจะถือศีลจะอะไรอื <c oughs> ทําได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นแค่อารมณ์ชั่วคราวมันยังไม่ใช่อารมณ์ที่เที่ยงแล้วทั้งทั้เพราะฉะนั้นทําได้จริงๆ การผ่านขั้นตอนการบวชก็ตามนะเขาก็ทําได้จริงๆริงไงไอตอนชั่วคราวชั่วคราวนั้ น, น่ะทําได้จริงๆไม่ใช่ทําไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยอธรมายกตัวอย่างง่ายๆฟังเวลามาอยู่กับหมู่พวกเราเนี่ยกินมังสวิรัติได้กินได้ตั้งหลายปีก็กินได้แต่พอไปอยู่กับข้างนอกไปอยู่กับคนข้างนอกอ่ะนะเดี๋ยวเพอเพอก็เอาแล้วกินไขกินเนื้อกับเข้าไปแล้ว เนี่ยมันไม่ใช่ได้จริงใช่ไหมแต่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยทั้งอิทธิพลของหมู่กลุม่มทั้งสภาพแวดล้อมมันเอื้ออานวยให้ให้เราทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วจิตคนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่พลังของตัวเองจริงๆในการที่จะมีผัสสะแล้วก็ชนกับกิเลสแล้วก็ปราบกิเลสได้แล้วก็กินได้ด้วยตัวของตัวเองจริงๆบางทีเนี่ยมันเป็น ปิติมันเป็นสุขบอกแล้วโอ้โหนี่หมูนี้เขากินมังสวิรัตโอ้อะไรอะไรก็ดีนะมากินกับเขาได้มีความสุขมากเลยใหม่ๆแต่กิเลสจริงๆที่ตัวเองยังบางทียังติดเนื้อสัตว์อยู่ยังชอบปลาหมึกนะยังชอบไก่ย่างยังชอบหมูสเต๊ะไอ้กิเลสพวกนี้ยังฝังอยู่เลยไม่ได้ล้างออกไปยังอยู่ แต่ว่าตอนนี้ปิติมันมากอ่ะความอะไรอ่ะความสุขในการที่มาเจอหมู่กลุ่มแบบนี้นี่มันท่วมทน้นมันก็เลยทับไอ้ไก่ย่างเป็ดย่างอยู่น อ, อนอยู่พื้นอยู่ตอนนี้นะโอ้มันก็ทําได้อะไรอะไรก็ทําได้เสร็จพอคราวนี้พอนานเข้านานเข้าทําได้จนชักจะเป็นปกติหมายถึงว่าทําได้แบบว่าชักนานนานวันเข้าไอ้ปิติไอ้สุขพวกนี้มันชัก แฝบลงแฟบลงแฟบลงใช่ไหมไอเป็ดย่างไก่ย่างที่โดนทับอยู่มันก็เลยชักจะโผล่มาให้เห็นโผล่มาให้เห็นเพราะว่าไอความยินดีความพอใจที่เรามีอยู่แรกๆเนี่ยมันเริ่มตกลงไปแล้วเหมือนน้าเริ่มลดน้าเริ่มลดใช่ไหมไอเป็ดย่างไก่ย่างที่มันเป็นตอซ่อนอยู่ในน้าเนี่ยมันเริ่มโผล่ขึ้นมาเองอ่ะจริงๆมันไม่ได้โผล่หรอกมันอยู่แค่นั้นของมันอนตอในน้ําอ่ะใช่ป่ามันอยู่เท่าเดิมแต่ว่า ไอตอนน้ำขึ้นมาใช่ไมน้ำมันขึ้นมาสูงมากใช่ไหมตอนคุณมีปิติคุณมีสุขเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาขึ้นมานี่มันท่วมทน้นไอตอหายไปหมดเลยคุณเลยนึกว่าคุณคงหมดเลยแล้วอ่ะตอคงไม่มีแล้วในน้ำนี้แต่พอปิติคุณลดอย่างที่อาตมาบอกน ะ, ะชักเฉยเฉยและกินกินมังสวิรัตกินมาได้สามสี่ปีแล้วมันเฉยเฉยละไม่ได้แม้ โอ้โหมีความสุขมีความยินดีพอใจเหมือนตอนแหมมากินได้ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยตอนนี้ปิติมันชักไม่มีแล้วมันชักลดลงไปแล้วมันพอไอ้ปิติพวกนี้มันลดลงไปใช่ไมไอ้ที่คุณคุณยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้ล้างเนี่ยไม่ล้างในตอนนี้แหละตอมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อมันไม่ล้างคราวนี้แหละเมื่อมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมชักจะทนไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้วเออชักอยากกินไก่ย่างชักอยากกินปลาหมึกชักอยากกินหมูสเต๊กขึ้นมาแล้วเอาแล้วคราวนี้นะทนไม่ไหวมากเข้าไม่เ อ, อ่อฝืนใจไม่อยู่ฝืนใจไม่อยู่ไปกินไปกินต้องไปกินนั่นแหละเนี่แล้วมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสภาพที่บางทีบางคนทาได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวตามที่ปิติตัวเองเนี่ยจะมีอยู่พอหมดปิตติหมดสุขที่ตัวเอง ได้รับอยู่นะไอ้กิเลสเก่าที่ไม่ได้ล้างมันก็ขึ้นมาทำงานเพรา ะ, ะนั้นอย่างนี้เขาถือว่ามันทำได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองยังไม่ใช่ได้เที่ยงยังไม่ใช่ได้แท้เพราะฉะนั้นคนนี้จริงๆแล้วยังไม่เรียกว่าพระโสดาบันยังไม่ได้ญานยังไม่เกิดญาญของพระโสดาบันแต่ดูเปลือกนอกแล้วว่าทำได้ดูเปลือกนอกเนี่ยนะอา้าวมาอยู่วัดได้ มาถือศีลได้มากินมังสวิรัตได้มาทำกิจกรรมกิจวัตรต่างๆได้ อ, อยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยได้แต่จิตจริงๆถ้าไม่ล้างก็คือยังไม่ได้เพราะหลายคนเนี่ยบางทีต่อให้อยู่วัดเป็นสิบปียี่สปีก็ตามถ้าไม่ล้างไอ้กิเลสที่ตัวเองมีแล้วฝังๆเอาไว้สักวันหนึ่งไม่ใช่ดอกไม้จะบานสะพังกิเลสนจะบางสะพังนะสักวันหนึ่ง มันจะขึ้นมาละตอนนี้ยแล้วของใครของมันด้วยแต่และคนไม่เหมือนกันใช่ไหมมาบางคนอาจจะเนี่ยเป็ดย่างอ่าไม่ใช่หมูสเตะอ่าบางคนอาจจะเข้าหมูแดงอ่าบางคนอาจจะเข้าหมกไก่มันของใครอ่ะที่ที่ที่ที่ฝังฝังไว้เพราะฉนั้นเนี่ยใครที่จะเที่ยงได้เนี่ยคือคนที่เราก็จะต้องพยายาม หากิเลสหรือว่าเห็นกิเลสเราให้ได้แล้วต้องล้างพิสูจน์ไม่ยากวิธีการพิสูจน์นะคนนั้นเนี่ยถ้าลองลองไม่อยู่กับหมู่กลุ่มเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรเงี้ยหรือบางทีไปยิ่งไปหลายหลวันเนี่ยโอ้โหจะเห็นชัดเลยมันเลื่อนดิ้นคู่ขักคู่คั ก, กคู่ั ก, ก, ก, ก, กให้เราเห็นแ่ละว่าเอมันชั ก, ช, กชักเอาละชักเอาละมันชักจะ อยากกินนอนอยากกินนี่บางทีอยู่วัดนี่กินในมือได้แต่พอออกนอกวัดอาชีพจุบจิบใหญ่ละมันมันมันชักจะคุมไม่อยู่แล้วนั่นแหละจะเห็นตัวเองถ้าคนที่ได้จริงเนี่ยมันไม่เกิดสภาพพวกนี้มันยังคงมีอะไรอ่ะความเป็นปกติความเป็นธรรมดาก็เหมือนอยู่วัดทนะี่อยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดก็ก็ใช่ถ้าคนที่ทำได้แล้วจริงๆเนี่ยต่อให้ไปอยู่บ้านนะ เขากินเนื้อสัตว์กันอะไรกันเราก็ไม่มีใจที่คิดจะไปกินเนื้อสัตว์อะไรด้วยเขาเลยแล้วมันมีญาณด้วยมันมีความรู้ด้วยว่าทำไมไม่ไกินเนื้อสัตว์กางเขาออแล้วมันก็ล้างกิเลสเก่าของเราได้ด้วยเพราะนั้นคนนั้นเนี่ยจะไม่ โ, โหย ห, ห, หาไม่อะไรอวอร์ไม่มาแบบว่าโอ้โหเห็นเขากินบางทีเนี่ยยิ่งยิ่งบางคนเนี่ยมีภาษาคือกินร่วมร่วมโต๊ะกับเขาอะ่ะคือเขากินเนื้อสัตว์กันใช่ไหมเขากิน ปลาเขากินปูกุ้งหอยอะไรพวกนี้เราก็กินเดี๋ยวเรากินมังสวิรัตอ่ะอืมก็นั้นแหละนั่นแหละไม่มีอ่ะเผลอเผอเผลอไม่มีอะ้วนะมันจะรู้ตั ว, วมันจะพยายามแล้วมันระวังแล้วมันก็ไม่นึกอยากจะไปกินเลยเผลอเผ อ, เอบางทีเนี่ยลองนึกขึ้นมาดูด้วยซ้แบบว่าเอ๊ะเรายังอยากกินอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี่ชอบมากเลยนะเนี่ย ไอ้แกงส้มปลาดุกเนี่ยโอ้ยชอบมากเลยนะนะเดี๋ยวนี้เออเฉยๆไม่ได้นึกว่าจะต้องอย่าไปกินเลยนะคิดขึ้นมาแล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหเมตตาสงสารสัตว์ด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าอย่างเงี้เราก็เที่ยงแน่นอนไม่มีที่ว่าพอมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วจะย้อนกลับคืนจะไม่มีย้อนกลับคืนเพียงแต่ว่าถ้าเรายังไม่เก่งคนนี้นะ แม้เป็นพระโสดาบันแต่ถ้ายังไม่เกรงนั่นแหละเจ็ดชาติอย่างมากที่สุดนี่คืออย่างมากที่สุดเจ็ดชาติหรือเจ็ดครั้งเอาเอาแบบให้มันสั้นลงมาเจ็ดครั้งโทรเอ้ยอาตมายังเคยเล่าให้พวกเราฟังบางทีนาฏโยมพี่อาตมาเนี่ยมีอยู่พี่สาวอยู่คนหนึ่งโอโหกินมังซีรามมาตั้งนานกินมาก่อนอาตมาอีก กินตั้งสิบกว่าปีไม่รู้จะถึงยี่สิบปีไหมนะโอ้ยังแบบว่ากลับไปกินเนื้อสัตว์ได้เลยเพราะนั้ น, ม, นมันเป็นได้จริงๆพราไอ้กำลังที่มันกดข่มไว้แบบไม่มียาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะที่จะลดละ ก, กิเลสเราจริงนะไม่ใช่ของจริงหรอกมันกดข่มเอาไว้เท่านั้นเองไม่ใช่ใจที่เราทาได้จริงๆ นะอ้าอันนี้ผู้ไทยฟังถึงในแง่ความเนี่ยความเคลือบแคงความสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าใครเองเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมยิ่งพวกเราเนี่ยมาอยู่วัดแล้วเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเอาแค่กินแค่ปากหรือว่าแค่ลงกระเพาะนะอย่าแค่นี้นะกินแล้วพ่อท่านบอกว่าต้องกินให้ถึงจิตถึงวิญญาณถึงใจของเรา เราจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเลยว่าเราเราไม่กินเนื้อสัตว์เพราะอะไร อ, อมีเหตุผลยังไงแล้วเรามีความรู้ความเข้าใจยังไงที่เราเลิกเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยวันจะต้องมีการพิจารณาอย่างเงี้ยคือการพิจารณาอย่างนี้แหละมันจะไปลดไล่กิเลสเราที่เราเนี่ยเคยอยากเคยติดเคยอร่อยนะปลาปูกุ้งหอยพวกนี้ยเราเคยอร่อยอะไรมามันจึงจะ เขาเรียกว่าชำแลกกิเลสหรือว่าชำละกิเลสให้กิเลสที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยโดนล้างทิ้งไปเรื่อยล้างทิ้งไปเรื่อยอย่างนี้มันถึงจะหมดสงสัยเพราะฉะนั้นไม่ใครก็ตามถ้าไม่ล้างกิเลสมันไม่หมดสงสัยหรอกเดี๋ยวมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละเริ่มเอ๊ะกินดีไม่กินดีวาันบางทีหลายครั้งเราจะเจอว่ายืดยุดห ด, หด <laughs> นามือเราเนี่ยเอ้ยหยิบดีไหมหยิบดีบว่าหยิบดีไหมหยิบดีบว่ามันจะยีดยืดถอดถดนะบางทีก็ไม่ใช่มืออ่ะมันจะยืดถนถดนะบางทีนี่มาถึงปากแล้วไม่จะงับดีหรือไม่งับดีโอ้บางคนนะมันมันมีสติอยู่ตรงนี้แล้วนี่จะงับดีหรือไม่งับดีบางคนที่เคี้ยวตุยตุยตุยอยู่ในปากนะไม่จะเกินดีหรือไม่เกินดีกว่าโอ้โหปล่อยเลยจากมือแล้วนะมาถึงปากแล้วนะจนเคี้ยวแล้วนะ บางคน mm ่ะ hmm. กืนแล้วสติมันมาช้าหน่อยเนี่ยไม่เก่งมันก็จะช้าไปเรื่อยๆจนถ้าบังคนคืนไปแล้วคืนไปเสร็จโอ้โหนี่นเนื้อหมูนั่นเนี่ยคืนลงไปแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วคืนลงไปแล้วนะแต่ก็ไอ้คาที่สองจะเอาอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ยังพอจะมีสติมันยังไม่คําที่สองนเนี่ยจะเอาต่อป่ะจะเอาต่อป่ะอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยปฏิบัติทำมาจะมีตัวนี้ ถ้าที่อื่นนี่ไม่รู้นะแต่ที่เราเนี่ยเราจะพยายามให้มีสติที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นทําไปเนี่ยส่วนใหญ่รู้ทั้งรู้ส่วนใหญ่รู้ทั้งรู้เลยแหละเพียงแต่ว่าจะกรบมันแค่ไหนเท่านั้นเองรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยคือเรียกว่าญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมามามาเตือนเรามามาบอกเรานะว่าจะกินต่ออีกหรือเปล่า เออนี่มันมันมันไม่ดีนะเนี่ยมันผิดสีหน้ามันผิดตะแบกนะมันจะเตือนอย่างนี้